ชีวิตของผู้หวังพ้นโลกแห่งกองทุกข์ด้วยความเห็นภัยจริงๆก็ดังชีวิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีชีวิตใครๆจะเหมือนดังที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าชีวิตกรรมฐานกับเสือท่านทำอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นชีวิตแบบกิจ เขาฉายภาพพยนต์แต่เป็นชีวิตที่จริงในครั้งพุทธการก็าปรากฏว่าเสือกินพระเหมือนกันแต่คงเป็นพระที่ท่านจวนจะสิ้นอยู่แล้วจิตใจของท่านละเอียดจวนจะถึงขั้นสูงสุดอยู่แล้วก็พอดีเสือมากินท่านท่านก็ร้องบอกที่อง์หนึ่งว่าเสือกำลังค่ามลา่า ท่นคาบทันแล้วลากไปวท่านก็บอกให้พิจารณาเรื่องกรรมของท่านและให้พิจารณาเรื่องที่เป็นอยู่นั้นให้เป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านก็พิจารณาทันทีแล้วพระองค์นั่งก็สำเร็จรหัสตะผลในปากเสือ นี่ตามตาราท่านเขียนว้าอานันทำไมถึงทราบว่าท่านํำเร็จในปากเสือกก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทานายหรือเป็นผู้ทรงรับสั่งอย่างนั้นคนเราธรรมดาก็คงไม่ทราบนอกจากพระองค์นั้นท่านจะตะโกนบอกเช่นเดียวกับตะโกนบอกเวลาเสือกกินท่าน บอกผมทําเนินแล้วอย่างนั้นก็อาจเป็นได้เพราะเป็นผ้าด้วยกันไม่ใช่ผ้าแบบผ้าเป่านกหวีนะเนี่มันมก็มีอยู่สองทางแต่นี่เป็นเรื่องของพระพุเทธเจ้าองค์ลับสัมมันเป็นความลําบากแต่ท่านไม่ถือว่าการที่เสือมากัดท่านเวลานั้นเป็นภัยแบบโลกโลกท่านย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่อง มีทุกขเวทนาเป็นต้นที่แสดงอยู่และจิตขณะจิตใดที่แสดงออกรับเรื่องของโลกเช่นนั้นท่านก็ทราเขา้าภายในจิตทันทีและสำเร็จเป็นพระราชอารหันต์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไมใหันเนื้อ เสือโครง่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้อหมีเนื้อหนอหูสั้นเหล่านี้ได้กลิ่นของพวกเดียวกันอยู่ในตัวของเราเข้ามาแบบเบียดทำลายอ่ไรอย่างเงีน้นี่เกี่ยวกับเรื่องการทำลายโดยจรงส่วนอื่นเช่นนงช้านี่ก็เป็นอีกอย่างมีความมุ่งหมายไปคนละอย่างอกเสือ โครงเสือเหลืองเสือดาวหมีราชสีงูเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ทั้งนั้นเพราะ่าเบียดเบียนเมื่อได้กิ่นของเขาแล้วก็ามาเข้ามาเบียดเบียนขึ้่มาทำลายเรมากัดเราไว้ไว่านพิงห้างชีวิตของพระในครั้งพุทธกาลเข้าใจว่าจะเป็นความลำบากมากยิ่งกว่าชีวิตของพระทู่ดงในสมัยปัจจุบันนี้ แต่สหับท่านอาจารย์มั่นนั้นเรายกไว้และท่านผู้ที่เด็ดเดี่ยวอาหารกินก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันกันกบข้างพุทธ ก, การเพราะท่านเหล่านั้นเวลาบวชแล้วมุ่งต่ออัตตตธรรมอย่างยิ่งแล้วมีพระพุทธเจ้ารงเป็นแนวหน้าทั้งใาหา้การอบรมสั่งสอนทั้งเที่ยวทุดงกรรมาฐานพระพุทธองค์ก็ทรงดำเนินอย่างนั้น อยู่เ้วยมาเรงถือว่าการบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการประกอบความภากเพยียรนั้นเป็นกิจจาเป็นสาหรับพระในครั้งพุทธกาลอย่างยิ่งไม่มีกิจอื่นใดที่จะใหญ่โตยิ่งกว่าสมณธรรมคือการบําเพ็ญของท่าน นี่เป็นจิจการงานของพระศาสนาโดยแท้สำหรับพระเราในขั้นตุตกาลท่านทำอย่าง น, นั้นเวลานา น, านมาค่อยๆลบเรือนไปโดยลาดับดับกิจการงานอื่นซึ่งไม่เป็นความจำเป็นเลกาเป็นความจำเป็นขึ้นมาโดยลาดับดังที่เราเห็นอย่างนี้ทีนี้เวลาเห็นพระธุดดวงกรรมาฐานก็เลยเห็นเป็นของแปลก เป็นอย่างการชันท่านก็มีชันมื้อเดียวเป็นประจำในทั้งพุทธการมีอย่างนั้นทั้งนั้นอนุญาตให้ตั้งแต่รุ่งอรุณขึ้นมาเป็นวันใหม่ถึงเที่ยงเพราะพระเป็นผู้ขอทานเขากินไปพิกขาจาวัดตามหมู่บ้านแล้วแต่จะได้มาเช้าสายประการใดท่านจึงจงอนุญาตไว้ตั้งแต่เช้า พอเป็นวันใหม่ถึงเที่ยงในระยะนี้จะฉันเวลาใดก็ได้เพื่อความสะดวกของพระซึ่งอยู่ในกระถานที่ต่างๆและไปบอมเพนอยู่ในที่ต่างๆกันไม่ทราบว่ า, าจะพบบ้านผู้บ้านคนที่ไหนเวลาสัจนจรไปมาด้วยการสมณธรรมจึงทรงรอนุญาตไว้เป็นระยะห่างหรือนานๆบ้าง เป็นที่กําหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าตั้งแต่สว่างแล้วเป็นวันใหม่จนถึงเที่ยงวันมีโอกาสหรือช่องว่างอันนี้ก็มากลายเป็นฉันเช้าฉันเพลิได้มีเรื่องไม่เกิดขึ้นทีหลังการฉันเพลิเรื่องหารว่างอะไรล่ะนี้มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังพวกเรานี่แหละอุตริบันดัตขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญตัตแต่ไม่ทรงห้ามตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง เพื่อความฉันมือเดียวนี่แหละส่วนข้าวต้มยังมีปรากฏหรือว่าดื่มข้าวต้มคือข้าวยาคู่นเข้าวต้มดื่มนะไม่ได้บอกว่าฉันก็คงเป็นน้ำข้าวต้มใสๆหรือเหลวอะไรอย่างกันนั่นนี่มีมีดื่มบ้างแต่ไม่ถือเป็นสาระสาคัญเหมือนการฉันมือเดียวมีความสมบุกสมบันของ พระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลนั้นกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏจึงต่างกันอยู่มากเหมือนกับว่าคนละโลกโลกของครั้งพุทธกาลเป็นโลกผู้ทรงมรรคผลผนิพพานโลกสมัยปัจจุบันนี้มีแต่คำพูดถ้าอย่างมากก็ทรงพระยาติคือการตดตั ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงมรรคผลนิพพานดังครั้งนั้นแล้วก็เลยมีแต่ชื่อคําว่ามรรคผลนิพพานมีแต่ชื่อองค์ของมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ปรากฏภายในจิตใจเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามหลักที่จะให้เกิดมรรคผลนิพพานเช่นครั้งพุทธกาสนี่ก็มาต่างกันที่ตรงนี้และนอกจากนั้นยัง <c oughs> เป็นพูด ตั้งกดขึ้นมาเองด้วยความสำคัญของตนว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วใครจะประพุติปฏิบัติไปอย่างเคร่งคัดขนาดไหนก็ตามไม่มีทางเตะสบบมบัติมรรคผลนิพพานเหมือนหนึ่งว่าเราเป็นผู้ให้เป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานเป็นเจ้าของแห่งศาสนธรรมเป็นเจ้าของสิ่งทุกอย่างบรรดาธรรม ที่พรรูเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นไม่เป็นที่แน่ใจตายใจไม่ถูกต้องเหมือนตนบรรดัดขึ้นมาด้วยความรู้สึกโดยทิฐิความเห็นของตนว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วเพราะเหตุไรมรรคผลนิพพานจึงต้องสิ้นเขตสิ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยไปนั้นมีเหตุผลอย่างไรจึงต้องไปเหมาเอาว่า ปฏิบัติเคร่งคัดขนาดไหนก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านปฏิบัติตามหลักมัชชิมาปฏิปทาหลักมัชชิมาปฏิปทาเป็นทางดําเนินให้ผู้บําเพ็ญทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์โดยลําดับแห่งกําลังความสามารถของตนที่ดําเนินตามหลักมัชชิมานั้นนั้นแล้วการที่ว่าปฏิบัติเคร่งคัดขนาดไหนนั้น มันก็เลย น, นอกบัญชีไปแล้วเพราะไม่มีเหตุผลยมัชิมาธรรมนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้มีหวังจะต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ว่าสมัยใดก็ตามเพราะการสถานที่ไม่ใช่ตัวกเรีฏปัณหาอาสวะไม่ใช่สิ่งที่เราจะแก้จะปลดเปลื้องมันออกไป สิ่งที่เราจะแก้หรือปลดเปลื้องมันออกไปเพราะถือว่ามันเป็นค่าศึกดังที่พระพุทธเจ้าทรงทสอนไว้ว่ากิเลสนี่อยู่ที่หัวใจของสัตว์การปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติลงที่หัวใจหมายถึงใจเป็นสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปก็หมายถึงองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตก็หมายถึงการงานที่ชอบทางกาย ซึ่งออกมาจา ก, กจิตใจโดยทางปัญญาเป็นผู้คิดอ่านรตรายองเห็นชอบด้วยเหตุโดยผลแล้วแสดงออกมาทางกายสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็ออกมาจากใจทั้งนั้นไม่ได้ออกมาจากที่ไหนทำท่านสอนลงที่ใจ เมื่อใจมีหลักมัชชีมาประจําตนแล้วมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคําว่ามรรคผลนิพพานเกิดก็คือกิเลสที่ผูกมัดอยู่นั้นหลุดลอยไปเป็นขั้นๆตอนๆและรู้จริงเห็นจริงในหลักธรรมนั้นๆเป็นลําดับไปจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมโดยทั่วถึงก็เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาภ า, ายในใจตรงนั้นด้วยมัชชีมาปฏิปทาเท่านั้น ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากการนั่นสถานที่นี่เพราะสถานที่เหล่านั้นการเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวกิเลสอาสวะที่ผูกพันจิตใจของจักรโลกให้เกิดแก่เก็บตายและให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนอกจากกิเลสจึ่งมีอยู่ภายในของจักนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็เคยมีมาแล้วซึ่งประเภทมีประเภทเดียวกันสาวกท่านหลายก็เคยมีมาแล้วเป็นกิเลสประเภทเดียวกัน และแก้ด้วยหลักธรรมประเภทเดียวกันนี้อีกคือมัชชิมาปฏิบัติธทนี้กิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันมีอยู่ภายในใจิตใจของเหานี้กับพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกจากกันเลยแล้วนํามัชชิมาปฏิบัติมมาแก้ไขที่ตรงนี้มรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุอันใดหลักที่จะยอมรับกันก็คือมัชชิมาปฏิบัติเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสไม่มีสิ่งอื่นใดจะสามารถแก้กิเลสได้ พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนลงว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วซึ่งพระองค์ก็เคยบำเพ็ญและได้ตรัสรู้มาแล้วด้วยหลักธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนสาวกจกนกระทั่งได้ตรัสรูุธรรมถึงขั้นพระรหัสรหันด้วยหลักธรรมเหล่านี้แล้วใครจะมีอำนาจวาสนามาเปลี่ยนแปลงหรือมากีดการมอกพุทธิภัณฑ์ไม่เกิดขึ้นได้ นอกจากกิเลสซึ่มีอยู่ภ า, ายในจิตใจของตนเท่านั้นเป็นเครื่องจิดกันมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุที่ข้อปฏิบัติเครื่องแก้กิเลสเหล่า น, นั้นไม่มีไม่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยใดก็ตามมรรคผลนิพพานหมดได้ไม่มีสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจต่อการแก้กิเลสไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานด้วยวิธีการแก้กิเลสโดยหลักธรรมคือมัชิมาสมัยน้นก็หมด สมัยนี้ก็หมดหมดอยู่ในบุคคลผู้เช่นนั้นแต่ไม่หมดในบุคคลที่ตั้งใจมาพฤ่งปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ừ ừ ừ. คำว่ามัจจิมาเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่เวลาเวลาอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมศูนย์กลางหรือเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสตลอดมาไม่นี้ว่าจะเรียวที่ไหนแหลมไปที่ไหนคําว่าเรียวว่าแหลมนั้นมันขึ้นอยู่กับ ความรู้ความถนาดความสามารถของบุคคลที่จะยกปฏิปทาคือมัชฌิมนั้นมาปฏิบัติได้มากน้อยเยียงไรเท่านั้นส่วนธรรมเหล่านั้นมีความเสมอภาคอยู่โดยลำดับตลอดไปด้วยผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรสนใจกับคำที่ทว่าป่าโลกๆด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัญหาวิชาพ า, พ, พาให้พูดด้วยความมืดบอดนั้นว่ามรรคผลนิพพานหมดแ้วและใครที่จะมีความรู้ความฉับ สามารถฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่ประธานโทวาสเหล่านี้ไว้ในโลกทั้งสามนี่มีใครไม่ปรากฏแล้วใครจะมาเยี่ยมยอดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีได้ที่ไหนเหมื่อเรากล่าวถึงว่าพุทธังสนงังคะฉามิก็ต้องลงใจในพระพุทธเจ้าทำมังสนงังคะฉามิก็ลงใจในสรขาตธรรมที่ตัดตรัสไว้ชอบแล้ว ชังขังสันนังฉ า, ามิก็ลงใจว่าพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านได้ปฏิบัติตามหลักมัจฉิมาปฏิบัตาจึงได้บรรลุร ธ, ธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เหมือนพระโพเธเจ้านี่เราลงใจที่ที่ตรงนี้เราไม่ลงใจกับว่าสุมสี่ซุมห้าใครว่าอะไรก็ตามจะสรารนังคฉ า, ามิเรื่อยไปเราไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่ใช่เหรือผููที่ว่ามากุลนิพพานไม่มีก็สรารนังคฉ า, ามิให้เขาไปเออแล้วมันก็เลวไปหมดไง เราหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลจะได้จากที่ไหนถ้าไม่ได้เป็นที่แน่นอนหรือแม่นแม่นยําที่สุดจากธรรมของพรกพุทธเจเท่านั้นไม่มีที่อื่นที่เรียกว่าสวาัขาิธรรมสัดไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางแย้งแต่เราอย่าลืมว่ากิเลสมักจะแย้งธรรมเสมอเพราะกิเลสกับธรรมเป็นค่าเสืกกันมาแต่ไหนแต่ไร อนี่เราพูดในเบื้องต้นว่าชีวิตของพระกรรมฐานเป็นความลําบากลําบนมาตั้งแต่ข้งในข้างพุทธกาลน้นแม้สมัยปัจจุบันนี้ก็มีถึงเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องความลําบากขาดแคลนต่างๆนั้นอันนี้ด้วยกันนั่นแหละเราจะสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามเมื่อได้มุ่งหน้าต่อปฏิปทาของพระพุทธเจ้านี้ต้องเป็นความลําบากด้วยกันเพราะบรรดาสาวกที่ออกมาจากสกูลต่างๆ แต่มาว่าพระพุทธปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งพระราชามหากริย์เศรษฐีกระดุมผีทำไมเวลาเข้ามาสู่สนามรบแล้วจึงต้องลำบากลำบนก็พอเข้าสู่สนามรบจะไม่ลำบากยังไง<ฮ>คาว่าจะฟังว่าจะสนามรบเป็นไหนมันต้องลำบากนี่สนามรบกี่เละล้วอยู่ในสถานที่เช่นไรก็ คือการต่อสู้กับพิเรนต์ั้งแตเป็นความละมาความละมาขาดแคลนอ ย, อย่างอื่นไม่ค่อยสําคัญสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆไม่ค่อยสําคัญยิ่งกว่าการต่อสู้กับพิเรนอันนี้เป็นงานที่สําคัญมากแล้วเมื่อเวลาทําสําเร็จแล้วเป็นที่ภูมิใจคุ้มค่าชีวิตจิตใจได้มอบลงกับความภาคเพียรอย่างนี้เวลาผลปรากฏขึ้นมาก็ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ คำภาพพระกรรมฐานกับเรานี้ผิดกันอย่างไรบ้างก็มีผิดกันที่ว่าเราเป็นฆราวาสหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทางแต่ยังไงก็ตามเราอย่าลืมว่าเราต้องการความสุขความเจริญตลอดถึงความพ้นทุกไม่มีทุก์ใดๆเข้าไปเกลือบแฝงให้ก่อความวุ่นวายตายเกิดนี่เราต้องการด้วยกันเมื่อความต้องการมีอยู่สาสนาธรรมก็เป็นที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่านับบวชฆราวาสหญิงชาย เพราะทำเป็นกลางๆให้ความสมบูรคทุกคนไม่ตัดสิทธิ์การประพฤติปฏิบัติต่อตนเองเพื่อการถอดถอนสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ภายในจิตใจนี้เราจึงมีทางทําได้มีโอกาสทําได้โอกาสอยู่กับความสมัครใจอยู่กับความพอใจอยู่ไหนมีโอกาสได้ทั้งนั้นหากความสมัครใจไม่มีเช่นอย่างเดียวถึงจะไปอยู่ในช่องว่างขนาดไหนจนจะไม่มีอะไรว่างเท่าก็ตามมันก็มมีโอกาสอยู่ในภายในจิตใจ ถ้า ม, มีการมีงานอะไรก็หาเรื่องอื่นมายุ่งตัวเองอยู่นั่นแหละนั่นคือความไม่มีโอกาสการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นความยากมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะเป็นการที่จะต่อสู้กับวิเลส ซ, ซึ่งเคยเป็นศาสตราจารย์ของสัตว์โลกมานาน ถ้าเป็นกองทัพ ก, กับกองทัพที่ใหญ่ที่สุดมีเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประหัตประหารสัดโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นเราผู้ที่จะเข้าสู่สงครามประเภทหนักประเภทหนาเช่นนี้เราจะไปทาย่ยอหย่อนอ่อนกำลัง <ừ. S 1> มันก็ไม่ทันแพ้ ừ. Ừ. ถึงคราวสู้ต้องสู้ถึงค่าวเป็นต้องยอมยอมเป็นยอมตาย มันหากมีในสมัยหนึ่งหรือเวลาหนึ่งจนได้ที่ความจนกรอกปรากฏขึ้นมาแล้วความต่อสู้เพื่อช่วยตัวเองนี้มันจะต้องปรากฏขึ้นมาจนได้คนเราไม่ได้มีความโง่อยู่ตลอดไปเวลาถึงคราวจนกรอกจนมุมแล้วก็หาอุบายช่วยตัวเองได้นั่นแหละสติปัญญาเกิดขึ้นเวลาจนกรอกถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดไม่เศร้าจะ คิดอะไรก็สบายอยู่แล้วนี่เวลาจะเป็นจะตายจริงๆ ก, ก็ต้องหาทางออกเป็นธรรมดานี่ส่วนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอยู่มากที่เราจะต้องคิดเรื่องอยากเราอย่าไปคิดมากเกินไปความคิดกลัวยากกลัวลําบากมันเป็นอุบายของกิเลสที่เคยหลอกเรามาแล้วทั้งนั้นที่จะหลอกเราไม่ให้ทําให้ย่อย่อนอ่อนกําลัง ในการประกอบความดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเราได้อ่านตั้งแต่ชื่อของกิเลสก็อ่านแล้เชื่อจนท่องบนเชื่อจนเต็มหัวใจพูดก็ติดปากกิเลสประเภทไหนไห น, ไหนพูดได้หมดมรรคผลนิพพานขั้นไหนภูมิในพูดได้หมด แต่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้ฟังบางว่ากิเลสมันกาลังหัวเรา ะ, ะมันหัวเราะคนรู้มากๆแบบนี้จาได้แล้วก็เอาความจำมาเป็นของตัว<ะ>เรียนรู้เท่านั้นเรียนรู้ได้เท่านี้เท่านั้นเอาความจำนั้นเป็นความสำคัญมันหมายว่ า, วาเป็นสมบัติของตนก<ะ>ิเลสมันก็ต้องหัวเราะเพราะกิเลสประเภทต่างๆแม้นิดนึงก็ไม่เคย กระเด็นออกไปเพราะความจำชื่อแห่งธรรมชื่ออย่งกิเลนนี้ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านยังสอนในทางภาคปฏิบัติจำชื่อของมันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกับพวกโจรเนี่ยพวกเสือร้ายต้นบ้านนั่นเมืองนี่ต้นไปหมดดาไปหมดทั้งในเมืองนอกเมืองเราจะจำชื่อมันได้จะกระทั่งโคตรแท้ของมันมันก็ไม่มีปัญหาถ้าจับตัวมันไม่ได้เมื่อไหร่ ก็คือพวกนี้แหละพวกพระเทีย่ยวกรอบความทิบหายวุ่นวายจากบ้านเมืองเท่าไห่จนกว่าว่าจับตัวมันมัดเข้าคุกเข้าตารางไปเสียเมื่อไหร่บ้านเมืองถึงจะ ม, มีความร่มเย็นกิเลสก็เหมือนกันอย่ามาจำชื่อตั้งแต่เพียงชื่อของกิเลสเลยจำตั้งโคตรตั้งแท่ของกิเลสเท่าไหรก็จำไปเถอะจำมาผลนิพพานจำจนกระทั่งถึงนิพพานก็จำอย่างนั้นแหละแต่กิเลสก็ไม่หลุดลอยเพสักตัวเดียวถ้าไม่จับตัวกิเลสมา ห้มหันกันด้วยความภาคเทียมมีสติปัญญาเป็นสําคัญให้พิหน้าที่หายไปจากใจแล้วความสงบร่มเย็นอันเป็นตัวผลนิพพานแท้ก็เกิดขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแลคือสมบัติของเราแท้เราหาได้ด้วยกําลังปีแข้งของเราไม่ได้หาได้ด้วยความจําซึ่งเป็นธรรมสมบัติของพระพุทธเจ้าเราก็ไปจำเอาชื่อนั้นมาเป็นสมบัติของเรามันก็ได้แต่ชื่อเป็นสมบัติแต่ตัวจริงไม่ได้ เวลาเามาบำเพ็ญความภาคเพียรจนปรากฏผลขึ้ น, นภายใจิตใจของเรามากน้อยนั่นแลคือสมบัติของเราแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของเราบำเพ็ญได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้เป็นสมบัติเต็มภูมิ ด, ดังพระราหันท่านกลายเป็นชนะของสัตว์โลกได้นอกจากท่านเป็นชนะของท่านโดยสมบูรณ์แล้วยังเป็นชนะของสัตว์โลกได้ เราก็พยายามทําให้เป็นฐานะของเราอย่างน้อยให้มีความสงบร่มเย็นคนมีธรรมอยู่ที่ไหนย่อมเป็นสุขสาคัญให้นํธรรมเข้ามาหักห้าม จ, จิตใจใจเป็นสมบัติของเราสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจการยับยั้งการอะไรช่างตัวงต่างๆเป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะพิจารณาเพื่อการรักษากจิตหรือเพื่อวความปลอดภัยของจิตเพื่อการดงับจิตซึ่งมีสภาพอันหนึ่ง อยู่ภายในถักดันจิตใจให้คิดฟุ้งซ่านนำคาญไปในแี่ต่างๆอันเป็นความทุกข์แก่ตัวเองพยายามระงับดับมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราคำคาว่าสาธนาธรรม ก, ก็จะไม่มีแต่ชื่อจะเห็นปรากฏตามหลักที่พุเจ้าทรงสอนไว้จริงๆไม่เป็นโมฆะเพราะปรากฏขึ้นในใจของเรานี่นี่หละเป็นธรรมแท้ล่ะที่นี้ ชีวิตของเราชีวิตของกรรมาฐานแทบล้มแทบตายที่บเพ็ญมาก็มาเห็นผลประจักษ์ที่ตรงนี้คุ้มค่ากันภูมิใจในความเพลียรของตนที่ได้ทำมามากน้อยโดยความทุกข์ความลาบากขนาดไหนก็ไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจเพราะได้ผลคุ้มค่ากั น, นการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรพอายุติเพียงตรงนี้